พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่ากิเลสหลุดความสุขมาแทนวันนี้เป็นวันพุทธที่26 ตุลาคมพุทธศักราช2559วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วจะออกไปทุระทำทุระจากนั้นก็คงเมื่อทุระเสร็จแล้วก็คงจะไปแวะพักที่วัดรวมธรรมอำเภอเพนวัดท่านรัตนะและก็วันพรุ่งนี้หลวงพ่อองคคงจะเดินทางลงกรุงเทพ ทำศาสนากิจยุทธีกรุงเทพสองสามวันถ้าไม่มีอะไรก็คงจะกลับบันที่30นะถ้ามีอะไรจะค่อยว่ากันไปอีกเพราะโลกนี่เป็นโลกอนิจจังของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่เราก็กำหนดถ้าไม่มีอะไรเราก็กลับนี่แหละศาสนากิจที่หลวงพ่อไปแต่ถึงยังไง พระเนลูกหลานศรัทธาญาติโยมกระถินของเราก็ผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะว่าไปแล้วเขาวัดเข้าสู่ระบบสงบเรียบร้อยเหมือนกับชีวิตพระกรรมฐานในช่วงที่มันมีงานเราก็หยุดช่วยกันช่วยการช่วยงานในเมื่อ การงานผ่านไปแล้วพวกเราก็มองดูตัวเองอันอีจังทุกขังอนาตาเกิดแก่เจ็บตายร่างกายสังขารไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องถึงจุดจบย้อนเขามาหาดูตัวเองมิใช่ว่างานภายนอกเสร็จแล้วก็เติดเปิดเปิงเตลิงเปิลเปิดแบบหุบไม่ลงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น พอา น, นให้มองตนเองนะถึงจะงานเสร็จไปแล้ว ค, คืองานเสร็จแต่กิเลสในหัวใจของเรายังไม่เสร็จจุดนั้นสำคัญกว่าถ้าหัวใจของเราหมดจดจากกิเลสกิเลสออกจากจิตใจของเรากระเด็นกระดอนแล้วอันนั้นแหละแปลว่าจบถ้าหากว่าจิตใจของเรายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่อันนั้นยังไม่จบกรถินออกพรรษากถินจบไปแล้ว ไปแล้วนะแต่กิเลสภายในหัวใจของเรายัางไม่จบเพราะนั้นให้พวกเราให้ย้อนมองมาดูตนเองเราจะทำยังไงชีวิตของเราทั้งทีบวชมาทั้งทีมาปฏิบัติธรรมทั้งทีเรามุ่งหวังอะไรมุ่งหวังภายนอกใช่ไหมลาบยศสรรเสริญใช่ไหม มักเที่ยวมักเตะใช่ไหมมักโม้มักคุยใช่ไหมหชอบอติดต่อประสานงานกับคนนั้นคนนี้เพียงแค่นั้นใช่ไหมอะไรอะไรให้ถามดูนะถามดูตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆกท่านให้พวกเราถามว่าจุดยืนของเราจุดประสงค์ของเราที่เขามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้เพื่ออะไรย แต่ว่าเมื่อเพื่ออะไรแล้วก็เราก็จะได้เดินตามจุดที่เราต้องการเพื่ออ น, นั้นอ น, นั้นแปลว่าจิตใจแน่วแน่ไปสู่จุดเดียวตามที่จริงหลวงพ่อว่าพวกเราน่าจะคิดอย่างนั้นเพราะหะไรเพราะว่าเราได้พิจารณาเมื่อเป็นคราบัตยาโิโยมหรือเขามาก่อนเขามาบวชหรือเขามาบวชแล้วก็เถอะ ที่เป็นนักพรตนักบวชขนาดนี้ก็เถอะนะให้เราคิดไปอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนะี่ยเป็นยังไงจุดประสงค์ของเราจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรถ้าหากว่ามีความถ้าเรามีความพิจารณาด้จุดมุ่งหมายของเราแน่วแน่ชัดเจนว่าข้าพเจ้าต้องการเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารตามแนวแถวระยะประเพณีคือ พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินอย่างไรพวกเราก็จะเดินตามแนวแถวสายนั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนั้นแล้วนั่นแหละการที่จะคิดอะไรจะทำอะไรอยู่นสถานที่ใดก็ตามมันจะดิ่งดิ่งไปอยู่จุดนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ความไม่ได้มีความมุ่งมั่นจุดนั้นอย่างเดียวนะจิต ใจของเราจะเฉไปเฉมาน่ะพอได้ยินเสียงมาทางหนึ่งก็เฉไปทางหนึ่งพอได้ยินมาอีกก็เฉไปทางหนึ่งทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทางกายอใจของเราก็เป็นหลงทางตาบังหลงทางหูบังหลงทางจมูกหลงทางลิ้นหลงทางกายใจของเราก็เหมือนกับขี้เมาเลยเฉไปเฉมาอยู่อย่างนั้นมันหาจุดหนึ่งไม่ได้แต่ทึ้งยังไงก็ตามอ ถึงตาไปเห็นก็เห็นผูบาอาจารย์เห็นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านปฏิบัติยังไงท่านหวังความพ้นทุกข์ยังข้าพรเจ้าต้องการหวังความพ้นทุกข์ข้าพรเจ้าได้ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์แนะนาําสั่งสอนเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ข้าพรเจ้าใจต้องการพ้นทุกข์ในวัตฏสงสารคือใจของเราถึงจะออกทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายก็ตามใจของเราเนี่ยคือแน่วแน่ ไ้สู่จุดหมายปลายทางนั้นพระทั้งของให้พวกเราทุกๆท่านบวชเข้ามาทั้งทีและปฏิบัติธรรมทั้งทีได้เข้ามาอยู่วัดวาศาสนาทั้งทีได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินทั้งทีได้พบพระพุทธศาสานาพ่อแม่กูบายารย์ทั้งทีพวกเราต้องวินิจวิเคราะห์นะทั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหาคุณงามความดีหามรรคผลเข้าสู่จิตใจ ในขณะที่หลวกพ่อไม่อยู่ก็ปวกให้พระให้เคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยให้เคารพกันาการอยู่ด้วยกัน อ, อย่าไปาพยองพองตัวให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในความเคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่กครูบาอาจารย์ไม่อยู่ไม่ได้นะถ้าองอาค์ใดครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่อยู่ ออกมาแบบเป็นนักเลงหัวไม้นะบอกมานะพอหลวงพ่อสอนแล้วสอนอีกให้พระหลวงพ่อเป็นพระที่ดีพระมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นพระที่อยู่ในศีรายจรวัตเป็นพระอยู่ในพระหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พระลูกพรหลานทั้งหลายเป็นสากยญาติบุตรเป็นปุตรของพระพุทธเจ้าทํำยังไงทําตนยังไงเป็นบุตรพระพุทธเจ้า ทําตัวยังไงที่เป็นหมู่กลุ่มหมู่ของเทวทัตเนี่ยให้พวกเราผ ม, ผมพ่อสอนวิ ช, ชาให้ทั้งหมดให้พระลูกพระหลานให้คณะทศายา จ, จมการอยู่ด้วยกันท้าววายอยู่ด้วยกันให้มุ่งมั่งมุ่งมั่นมุ่งหวังต่อทางพ้นทุกข์แล้วไม่มีปัญหานะแต่ท้าวามุ่งหวังในโลกามิตรอยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศ อยากจะได้ให้คนจกจ้องสรเสริญอ่านนั้นไปว่าออกนอกลูกนอกทางไม่ใช่แนวแถวของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นนะไม่ได้แนวไม่ใช่แนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่แนวไม่ใช่แนวแถวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้อยู่ในความสันโดษอยู่ในความสงบอยู่ในความความอ่อนน้อมถ่อมตนให้อยู่ในศีลายจารวัด ใ ห, ให้เป็นผู้รู้เท่ารู้ทันให้อยู่ในสถานะไหนเราอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวนี้นะให้มองตอนเองว่าอยู่เสมอสรุปแล้วก็คืออย่าลืมตัวนะถ้าพวกเราไม่ลืมตัวอยู่ในสถานสถานที่ไหนดีทั้งนั้นถ้าพวกเราลืมเจ้าของลืมตัวแล้วนะ่ะว่าข้าเป็นใครนะั่นเมื่อนั้นเสียหายจะเป็นใครเป็นคนมีกิเลสนั่นแหละ จะเป็นใครบอกได้เลยถ้าคนมีธรรมแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนมีธรรมแล้วจะนั่นจะรู้จักว่าอันไหนควรถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเดินไปในธรรม เ, เดินไปในเป็นเดินไปในธรรมเดินไปในวิ น, นัยวิ น, นัยคือกฎระเบียบธรรมคือความถูกต้อง อยู่ในศีลในธรรมและอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขนะพระเนนลูกหลานนะถ้าออกนอกลูก่นอกทางแล้วมีแต่ความเดือดร้อนพปนวายศรัทธาญาติโยมก็ชิ่นเดียวกันถึงจะออกพรรษาลาพระเจ้าคนโบราณออกพรรษาลาพระเจ้าคนโบราณเขาว่านั้นนะแต่เราเราจะเป็นลาพระเจ้านะพระเจ้าให้อยู่ในใจพระพุทธเจ้าในหะ้อยู่ในจิตในใจของพวกเราเราจะไปในสถานที่ใดก็ตาม ไหวพระสวดมนต์เมื่อมีโอกาสและจากนั้นก็นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านกระดอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ไดสิ่งไหนที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาแล้วนะให้สำรวมระวังเราต้องมองดูตนเองอย่าลืมเจ้าของอย่างที่ว่านะั่นนะเกิดมาพบนี้ชาตินี้เรามีอยู่บีกินขนาดนี้ก็อเอาละเพียงพอสำหรับอัตภาพเราคงไม่ได้ทำ บุญสร้างบุญสร้างคุศลนจนให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะอันนี้สงเราไม่มีในอดีตชาติเราได้ขนาดนี้ก็อา้าพอใจพอใจเท่าที่มีแล้วก็พยายามสาะแสวงหาทรัพย์ตามอัตภาพเราไม่ได้งอมืองอเท้าถาว่าเรายังพอทำการทำงานได้อยู่เราจะเป็นเนียงดูได้เราทำกิจวัตร ได้ทําทการทํางานในบ้านของเราเราจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ถึงจะไม่มีการงานกันปัดกวาดทาความสะอาดบ้านเรือนของเราให้ใสสะอาดอพร้อมน่าอยู่นั่นแหละอันนี้ก็คือชีวิตประจําวันของพวกเราถ้าพวกเราทำํำ ถ, ถูกต้องเป็นธรรมแ ล, ล้วลมเย็นเป็นถูกนะคณะทรไทาญาติโยมพระเนร ล, ลูกหลานทุกองค์นะถ้าพวกเราทําไม่ถูกนะร้อนใจ มีความทุกข์อยู่ในใจนี่แหละมันอยู่นสถ า, านที่ใดไหยไฟเผาไหม้อยู่ที่ใจนะมีแต่ความเดือดร้อนหาความสงบร่มเย็นเป็นทุขไม่ได้ถึงจะอยู่ในห้องแอร์เย็นแต่ยุดเย็นร่างกายจนหนาวนะแต่ใจมันร้อนเป็นไฟเพราะอะไรเพราะว่าใจของเรามันปุงเออมันได้รับโทษทุกข์ใจของเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวาง ไม่รู้จักสถานะเราไปทำความช่วยเสียหายมาแล้ว น, น่มันก็ร้อนมาอยู่ในตองห้องแอมันก็ร้อนเพราะอะไรเพราะเราทาสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีออกไปแล้วถึงจะไปหลบอยู่ที่ใดมันก็ร้อนใจถ้าเราทำใจสำระใจใจบริสุทธิ์แล้วถึงจะไปอยู่ในโครนต้นไม้อยู่ในร่มไม้ใจของเราก็มีความสุข อย่างพระมาหากบะินท่านเดินไปที่ไหนท่านก็่าสุกหนอสุกหนอสุกหนอ่อท่านเป็นคำบริกรรมของท่านเปิดไปเดินนัสถานที่ใดเหมือนกับเผลอพลังเผลอออกมาสุกหนอสุกหนอสุกหนอ่อพระสงฆ์บางองค์ก็ได้ยินที่ท่านพูดพระปุถุชนได้ยินเอพระเถรรที่ท่านพูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็น พระมหาเถิรักษณะนี้ทําไมบ่นเพอ้อไปอย่างนี้อย่างนั้นพระ อ, องค์ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระมหากรรมินเดินไปน่งสถานที่ใดไม่จะได้ยินแต่คำนี่ท่านคงจะนึกคิดสมัยเมื่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินของราชมีสนมกำนันมีข้าทาสบริวารมีทหารตำรวจเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีครบทุกอย่างอ ท่านระลึกถึงสมัยเมื่อเป็นพระเจ้าว์เป็นดินท่านก็คงจะเพอขึ้นมานะ่ยสุกนอสุกน้อสุกน้อเนีนะ่ยพระสงฆ์ทหลาย ก, ก็คิดอย่างนั้นแต่ไม่กล้าถามเพรามถามความในใจฮียจากนั้นเขาไปฟ้องพระพุทธเจา้าบอกเอ๊ะปัญหากัรบินลูกเสือบอท่านทํำขันพูดออกมาอย่างนั้นเพอแบบเพอ้อเพนะ่ยพระองค์เออเอาเรียกมานะมหากับบิน ได้ยินว่าเธอไปนักสถานที่ใดมีแต่บนเพอวาสุกนอสุกนอสุกนออย่างนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าข่าทำไมล่ะทำไมเธอจึงได้พูดอย่างนั้นออกมาเพราะข้าพราะองค์สมัยเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองหัวเมืองมีแต่ความทุกข์จะทำยังไงให้บริษัทบริวารลูกน้องบริวารอยู่ดีกินดี จะทํำยังไงบ้านเมืองจะปลอดภัยจากค่าศึกสงครามจะทํายังไงผู้ที่อยู่ใกล้จะทําความพอใจกันได้ไม่ทะเลาะวิวาทกันมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นแต่ละวันคิดออกการบ้านการเมืองการในครอบครัวการบริหารจัดการการอยู่การกินของพี่น้องประชาชน มันมีแต่ทุกข์ในใจตลอดแต่บัดนี้ข้าพระองค์มีผ้าไราสามผืนผืนมีอัฐบริขาร8ไม่มีอะไรเครื่องผูกมัดผูกพันและก็ข้าพระองค์งก็ได้ชำระใจบริสุทธิ์แล้วไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในใจออมองดูแล้วมีแต่ความสุขไม่มีกิเลสตัวไหนเข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเยิงวุ่นวายได้จิตใจว่าง ใจิตใจเปล่าใจิตใจบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเพราะนั้นข้าพระองค์ไปณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดข้าพระองค์จึงมองดูแได้ว่าโอ้ชีวิตนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้สุขหนอสุขหนอสุขหนอ่หนอนะข้าพระองค์ได้มีความเห็นอย่างนี้พระเจ้าข่านะีพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายอันนี้คือบุตรของเรามหากริญเนี่คือบุตรของเรา เป็นผู้กระเทาะเปลือกไข่เป็นพี่ของพวกท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหมดจดจากกิเลสแล้วท่านเป็นผู้ไม่มาเวียนจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วเป็นอนันตการนี่แหละเป็นพี่ชายของพวกเธอท่านทั้งหลายพอใจของเอขาท่านบริสุทธิ์ท่านมองถึงความบริสุทธิ์ของท่านท่านจึงบ่นออกมาว่าสุขหนอสุขหนอสุกหนอนี่แหละถึงยังไงก็ตาม พวกเราก็ให้มีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหวังอย่างที่พระมหากบินที่ท่านได้แสดงได้ทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราเพราะ้มองดูตนเองทีนี้เรามีอะไรบ้างที่จะทำให้ใจของเราขุ่นข้องขุ่นมัวติดขัดกับเพื่ออะไรบ้างจากนั้นก็มองดูตนเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไข กายวาจาใจของตนเองจากนั้นก็นปดไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนถึงบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพระเนนลูกหลานทุกองค์อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างให้ดูเพราะหลวงพ่อเป็นผู้กล่าวเรื่องธรรมะทำคำสอนของพุท ธ, ธะแล้วก็ชี้ประเด็นนั้นให้ดูชี้กับชี้ประเด็นนั้นให้ดูประเด็นนั้นประเด็นนี้ประเด็นนั้น หลายๆประเด็นเพื่อจะให้พวกเราอกันกรองไต่ตองด้วยเหตุและผลอจิตใจของเราเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเอเราที่เล็กรู้ได้เห็นได้ศึกษามานะั้นเป็นสมบัติของเราทีนี้ไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่แต่บอกเอออยู่ตรงนั้นขุมทรัพย์นะอไปขุดเอาหน้าอยู่ตรงนี้นะขุมทรัพย์นะควรทาอย่างนี้นะ ควรทามาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้ทำไร่ทานาทำรัว้วทำสวนอย่างนี้นะการควบค้าสมาคมกับผู้คนเป็นอย่างนี้นะเป็นนักพจน์นักปวดต้องปฏิบัติตนอย่างนี้นะให้พวกเราฟังดูที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในเะอ็มพีสามของหลวงพ่อจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะลูกหลานขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่ออ่านมาไปศึกษาแล้วนะให้เมื่ออ่านไปศึกษาแล้วนะ อย่าไปเชื่อทีเดียวพออ่านเข้าไปแล้วอย่าเพิ่งเชื่อให้นําไปปฏิบัติก่อนในเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วนะเห็นผลอย่างไรเป็นสมบัติของพวกท่านทั้งหลายเองท่นั้ไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนะหลวงพอมีแต่ชี้แนวทางแนะแนวทางให้พวกเราประพฤติปฏิบัติท่านั้นเองเพราะเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแนะนํามาบอกกล่าวไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนะของหลวงพ่อนี่จะได้ศึกษาหลวงพ่อก็ยอมรับ แนวปฏิปทาของพุทธะแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยอมรับจึงได้นําสิ่งเหล่านั้นมาประ ก, กาศมาบอกเผยแผ่มาบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะอหลวงพ่ออีกมั่นใจไม่ได้เจะเอาสิ่งที่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงมาพูดกันแต่พวกเราได้ยินได้ฟังอย่าเพิ่งเชื่ อ, ออีกเหมือนกันนะหลวงพ่อไม่ได้ให้เชื่อให้นําไปปฏิบัติซะก่อนฟังดูซะก่อนการกล้องด้วยเหตุผลซะก่อน เอ3ของหลวงพ่อมันเกือบร้อยแผนนะ่นเอไปฟังดูซิเป็นยังไงนะถ้าฟังดูแล้วนะถ้ามีเหตุผลไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทำยังไงมันเหตุผลลงจุดนั้นนะต่อเ น, นี่อไปพระสงฆ์โมทนาให้พรรับพรในตนนีนะ